จิตเนี่ยมีลักษณะของมันอย่างหนึ่งคือทำงานได้ทีละอย่างขณะหนึ่งเนี่ยนะทำงานทีทละอย่างในขณะกำลังคิดนึกเนี่ยนะตาไม่ได้ทำงานตาลืมอยู่นี่นะแต่ไม่ได้รับรู้หรอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นใจอยู่กับความคิดเคยั้มว่านั่งอยู่แล้วมีคนมาเรียกแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเสียงมีไหม เสียงมีนะแต่เรากลังไม่ได้สนใจเสียงเรากาลังดูโทรทัศน์อยู่เียสมมตินะเราลังดูโทรทัศน์อยู่มีคนเดินผ่านมาแล้วก็เรียกให้เรากินข้าวไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเอ้ไม่ใช่ว่าได้ยินแล้วไม่ไม่อยากกินนะมันไม่ได้ยินเลยเสียงเขามีเสียงโทรทัศน์ก็มีเสียงเสียงลมหายใจเราก็มีมีกลิ่นด้วย มีความสุนทกสัมผัสการนั่งอะไรมีครบหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้สนใจสนใจกับเรื่องราวว่านางเอกกําลังจะถูกตบอย่าเงี้ยฉันอยากจะตบไอคนที่จะตรวบนางเอกอย่างเงี้ยสนใจแต่เรื่องราวอย่างนั้นเนี่ยอย่างอื่นไม่สนใจเลยอย่างนี้เรียกว่าจิตทํางานทีละอย่างจิตสนใจเรื่องนี้อยู่ก็เลยไม่ได้สนใจเสียงที่มานอกจากว่าเสียงนั้นจะมาแบบแรง เสียงมาขัดจังหวะ mm hmm. พอมีเสียงขัดจองหขึ้นมาเรามีโทสะ mm hmm. ก็ไม่รู้โทสะ mm hmm. ไม่ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจมัวแต่ว่ามาขัดมาขัดใจฉันทําไมฉันกําลังดูโทรทรรศัศน์อยู่ mm hmm. ฉันกาลังดูละครเรื่องนี้อยู่มาขัดใจฉันถ้าเราปล่อยให้เวลาในชีวิตของเราไปอย่างนี้นะไม่ได้มาสนใจเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็ไปมัวแต่รักข้างนอกโกรธข้างนอก แล้วก็ไม่อีกอย่างนึงก็คือเพลินอยู่กับข้างนอกเรียนรู้โลกโดยที่รักโลกโกรธโลกเผลอเพลินไปกับโลกแล้วก็ตายเพรออับความเผลอไม่มีความรู้เลยและตายพราะความเผลอ น, นี่ก็คือไม่มีปัญญาจิตไม่มีปัญญาก็ย่อมจะต้องไปเกิดใหม่